ตอนอบรมกรมสรัรพสามิตรภาคหนึ่งระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม2559ตอนที่6ก็เป็นกิจกรรมเดือนเมษาที่ผ่านมาบวชภาคฤดูร้อนเด็กจิ ป, ประจำนะก็ไปชีน้อย21ลูกเนร8แล้วก็ชีพามหนึ่งเราก็เตรีย ม, มวันที่30เมษา แล้วจาสาที่ผาซนแก้วเข่าขอให้พราจาร์มีทพิธีสืให้สรุปว่าทุกคนไม่ออกสึบนแล้วก็ตอนนี้กลับพิธีสืบก็เลยต้องทำโปรแกรมต่อก็ยังอัา ครับอะไรเลยเนาะเพราะคูเคยเห็นลางๆแล้วว่าเราจะสร้างผู้นำทางจิตวิญญาณบางคนก็ททำอาชีพอย่างอื่นทำหน้าที่อย่างอื่นแต่บางคนก็ต้องมาทำจิตวิญญาณเด็กๆเขาเปลี่ยนเร็วมากตัวเล็กที่สุดคือสี่ขวบไม่ฉี่้าเขาแค่ขยับสามครั้งอลลิชชั่ ก็เ hey ห็นบอกชั่วโมงเมื่อกี้ก็ขึ้นแหรงส่วนหนึ่งเพราะผูใช้คําว่าก็เสียดายเนาะเวลาเรามีแค่นี้ก็แค่นี้ตอนนี้เครื่องกําลังติดแล้วแต่เราหมดเวลาแล้ว <c oughs> เหมือนโทสศัพท์โทไปพวกเงินหมดเนี่ยไม่เป็นไรนะกลับไปบ้านปฏิบัติต่อไม่เบี่ยงตลายอะไรทั้งนั้ น, น <c oughs> แล้วไม่มีเวลาอย่างนี้เราทั้งวันก็ตื่นช้าเราไปเข้าห้องน้ํา ก่อนจะทำอะไรเนี่ยยืนเช็คยิ้งสั้นท่านนาทีเป็นการปึุงข้าที่บ้านใครเคยเลี้ยงสุนัขนะเวลาก็นอนนานๆลุกเนี่ยลุกขึ้นมางานแรกเขาทำอะไรไมีที่เกี่ยนแ้วก็เช็คมันผ่อนคลายความเคร่งเครียดเห็นไหมที่นี่สุนัขเยอะมากพรอคูมานอนที่นี่ตอนเช้าเมื่อมันก็หข่ามาันถอน มันผ่อนคลายความอารมณ์เครียดมันถึงไม่เป็นมะเร็งไงของเราเนี่แค่นี้ต้องชาระสิบปียังไม่สายนั่นแหละคือตัวมะเร็งไม่เอานะครับชีวิตเป็นของเราต่อไปไม่เอาไม่ทําลายตัวเองเนาะอย่าไปซีเรียสมากมายทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะอย่าไปห่วงอนาคตนะครับอนาคตมีแน่ๆพรุ่งนี้ก็อนาคตปีหน้าก็อนาคตชาติหน้าก็อนาคตอย่าห่วงเรามีอนาคตแน่ๆทาปัจจุบันให้มันดีที่สุด นะวันนี้เราทําดีที่สสดปุ๊บพรุ่งนี้ผลมันก็ดีนะตอนนี้เราทําตรงนี้ก็ห่วงอนาคตห่วงอนาคตมันก็กระทบปัจจุบันที่เราจำอยู่แทนที่จะผลงานได้ร้อยหนึ่งได้ห้าสิบอร์ซนะนะก็เน้นเหมือนเก่าเดี๋ยวเราจะกลับไปใช้ชีวิตในในทางปกติเราก็ที่เราทํางานเพื่อชีวิ ต, ตเด็กๆเรียนเพื่อชีวิต ไม่ใช่ชีวิตไปทุกกับการเรียนไม่ชีวิตไปเพื่อไปทุกกับการทํางานทุกคนต้องมีสัมมาอาชีวะต้องมีาอาชีพอาชีพภาศัยยางชีพคืออยู่ได้ไม่ตายไม่ใช่ไปเล่นเกมรวยกันเพราะคําว่าร ว, วยเนี่ยมันอนุมิตมันไม่มีวันจบสิน้นไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันสําเร็จนะแต่ถ้าเกิดว่าเราบริหารชีวิตเราได้ทุกลมหายใจเข้าออกประคอง ม, มันให้มันเข้าและให้มันออกเราสําเร็จแล้ว ชีวิตเราสาเร็จละสาเร็จทุกๆนาทีทุกๆวินาทีนี่คือชีวิตถ้าหายใจเข้ามันเลยมันไม่ออกเป็นยังไงตายชีวิตเรามี่แค่นั้นถ้าหายใจออกมันไม่เข้าตายชีวิตเราไม่ใช่มีอะไรนั้นแค่อะไรเนี่ยเราประคองชีวิตเราให้มีลมหายใจเป็นปกติได้ชีวิตเราก็เป็นปกติสุดบางทีถูกระวันที่หนึ่งดีใจมากเกินไปหายใจไม่ทันก็ตายได้นะออ ตกใจเสียใจมากเกินไปช็อกหายใจไม่ทันก็ตายได้เหมือนกันถ้าใครสามารถบริหารชีวิตตัวเองให้มีลมหายใจเป็นปกติได้ชีวิตเราคือปกติสุดชีวิตเราคือปัจจุบันไม่ใช่อนาคตอดีตมันผ่านไปแล้วอย่าไปย้ำคิดย้ำทำไม่น่าเลยไม่น่าเลยคิดยังไงมันก็แก้อดีตไม่ได้ ทำงนานอยู่ก็คิดเสร็จแล้วจะไปทาอะไรอะไรคิดยังไงก็ช่างก็ยังทำไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะครับก็กิจกรรมเด็กๆใช่เด็กๆ เ, เนี่ยโดยเฉพาะสตรีเราเนี่การที่จะป่งผมเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะมันสวยๆ ง, งามไงนะก็มีชีพางเนี่ยไม่มีชีพางคนหนึ่งคนนี้เรียนม .1 เขาสู้กัน ปิดเทอมอยากกลับบ้านก็อยากกลับทีนี้เห็นเพื่อนบวชก็อยากบวชแต่ไม่ค่าโกนผมเขาก็บวชีพามก็อนุญาตฉีพังเดือนหนึ่งเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวคนเดียวในกลุ่มแต่เขาอดทนทำได้นะพอมาผาส้นแก้วปุ๊บเนี่ยบังเอิญพาจางบารรมีท่านก็เปิดให้ดูขึ้นไปดูชั้นผกนะถ้าใครเคยไปนะมีเหมือนเจดีแก้ว ข้างในเพชรนินจินดาเต็มไปหมดนะแล้วก็มีมงกุฎนางสาวไทยด้วยแล้วก็ไอ้มือถือคาถาเ้านะ่ะเป็นทองเป็นอะไรเนะี่ยคือเขาถวายเด็กๆ ก, ก็นั่งอยู่ทั้งไม่ชีน้อยเหมนเพระครูก็บรรยายนะรอกพ่อครูเดี๋ยวตั้งสติสมาธิดีดกลาบไม่ใช่กลับไอ้วัตถุเหล่านี้นะวัตถุเหล่านี้เป็นแค่เยงหินเศษ ก้อนอิดปูนเขาสมมติมันเป็นเพชรเป็นพลอยเจยๆเราก่าวเพื่อเราเลืถึงเจ้าของเขานะเขาวางได้มีพี่พี่ชมผู้หมอหาอันนี้สวยจินตนาการอยากเป็นดาราเพราะพวกครูบรรยายร็จเขาเห็นมงกุฎอะไรเนี่ยออบมาเขาร้องไห้ใหญ่เลยชีวิตเขาจินตนาการี่เขาอยากได้สิ หลังจากเขาเห็นแล้วเวลานั้นเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้อะไรอีกละเขาจะปวดไม่สึกเลยแต่ผู้ใหญ่เราสอนให้เด็กเปก็นติดวัตถุเหล่านี้มันก็ทุกข์ปัญหาวัตถุเพราะเรามีปุ๊บ ม, มองก็ไปข้างบนเขามีมากกว่าเราแล้วก็เป็นทาตมันตลอดชีวิตแล้วจะหาความสุขไม่เจอแต่เราให้เด็กกาตรง น, นั้นไม่ใช่กาไปก้อนหินก้อนอิฐก้อนปูนเหล่านี้ซึ่งสมมติจะเป็นเพชรเป็นพลอย่อันนี้เป็นแค่สมมติ นะเอาเพชรเม็ดหนึ่งมาตําตำตาตำตำยังกินไม่ได้เลยนะเราเอาสุ้มตํำเราก็ยังกินได้นะเห็นไหมแต่เราสมมติทําเป็นเพชรไงไก็กินไม่ได้นะทีนี้เราก็ต้องสอนเด็กให้มันรู้ว่าอย่าไปหลงสิ่งเหล่านี้เรากล่าลละโมทนาสาธุบุญมีมุติตาจิตนะกับคนที่เขาวางได้เขาแสดงธรรมครั้งใหญ่เด็กเปลี่ยนอารมณ์ใหม่หมดเลยไม่สุดทุกคนเห็นไหม เด็กเขาไม่ค่อยยากหรอกผู้ใหญ่เรายากหน่อยนะผู้ใหญ่ต้องสั่งเยอะๆเต้นเยอะๆนะต้องแรงกว่าเด็กนะเด็กชุดนี้กลายเป็นพริกกับเลยนะตอนนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเขาเขามีวินัยในตัวเขาเองเขาเปียกเลยนะเพราะคูไม่อยากพูดอะไรลึกมาเนี่ยพูอะไลึกจกลายเป็นไสยศาสตร์สี่ขวบมันขยับพิดหนึ่งไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ เขาอยู่ในกรรมาฐานตลอดเป็นชั่วโมงแล้วไม่ออกมาจิตเดิมเขาแสดงตัวแล้วเพียงแต่ว่าถ้าท่านใดสนใจมาเรียกว่าผู้กูจะที่นวลเป็นกิจกรรมเราจะจัดทุกปีอะหลักอากนี้ไปและต้องการเห็นโรงเรียนสองโรงเรียนของเราเนี่ยกลายเป็นโรงเรียนวิถีศาสนาจริงๆนะก็คือว่าตอนนี้ถ้าเราไม่เอาตัวนี้มาช่วยเด็กๆแล้วเนี่ย เด็กเขาจะเป็นเหยื่อสังคมนะเขาต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาสร้างเกาะป้องกันให้เขาแลออ้วพอเขาโตแล้วเนี่ยเขาจะไปดํารงชีวิตใช้อาชีพใดก็ได้เนี่ยเขาจะรู้เท่าทันโลกเขาจะไม่ไปตามโลกนะตอนนี้ตามไปว่าไม่ทันลูกหลานเราเป็นเหยื่อนะอันนี้คือกิจกรรมที่สูน <c oughs> พวกเราก็สนุกกับอยู่กับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทุกวันนะแม่ครัวที่โ น, น่น ช่งเปิดเทอมเนี่ยต้องทําอาหาเรเลี้ยงคนประมาณหนึ่งพันคนทุกวันมันเป็นปกติของเราเป็นวิธีเราทุกวันเราทําบุญทุกวันทางศีลภาวน า, าทุกวันมันเป็นปกติของเรานะครับก็จากนี้ไปพวกครูก็คงได้ออกมามากขึ้นนะเพราะว่าก็มาช่วยกันกระตุต้นโดยเพาครูจะเน้นเรื่องนักเรียน เข้าสู่โเรียนต่าง ๆ, ๆเพราะว่าเด็กๆทุกวันนี้ต้องสร้างภูมิคุ้มกันในเขาสังคมมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเด็กเขาไม่มีเพื่อนเขาก็เอาคอมพิวเตอร์เอาเกมเป็นเพื่อนเป็นมนุษย์หุ่นยนต์หมดทีนี้เขาอยู่นนานๆเขาอินกับมันแล้วเนี่ในสมองมีเสียงของ แ, กแ้ก๊สชนะเป็นคนแข็งก้าวเหมือนเขามีสมาธิเด่นทั้งวันนะ่จริงๆแล้วเป็นสมาธิสั้นหมดเพราะเกมมันเปลี่ยนตลอด แล้อารมณ์ฉุนเขียวคุยกับพ่อแม่ไม่รู้เรื่องแต่พอเด็กเขามาเข้าโปรแกรมนี้แล้วเนี่ยอารมณ์เขาดีขึ้นเขาไม่ต้องพึ่งสิ่งนั้ น, นะเขาก็มีความสุข น, น, นี่พ่อครูเห็นนะเห็นมันพัฒนาการมากน่ากลัวมากเด็กขณะนี้มีเนนน้อยอ่ะเขาจะมาอยู่ประจํามาแค่วันแรกเขาไม่รู้น่ะแม่ก็อยากให้บวช ด, ด้วยนะจูบมะก้าไม่บวชอาทิตย์แรกผมอยากสืบ เด็กเขาเขาเขา้เขาถึงจิตแล้วเนี่ยเขามีปัญญาอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเขามจกรางของศูนย์นอกว่างไปเที่ยวศูนย์หรือว่ากลับไปบ้านตอนเช้านี้บอกว่าเข้าห้องน้ําเช็คยิ่งกระตุ้นให้เราตื่นให้ผ่อนคลายก้ามเมื่อชันเอ็นตุกสติสมาธิเราตื่นก็ทำหน้าที่เราทั้งวันเวลาทําหน้าที่ก็อยู่ปัจจุบันเวลาปฏิบัติธรรมคือการทําหน้าที่ อยู่ปัจจุบันที่เราทนะํานี่ยจดจ่ออยู่กับมันเป็นหนึ่งเดียวกับมันนะ่ะอารมณ์แทรกไม่ได้เป็นความสุขอย่างยิ่งถ้ามันเผลอคิดปุ๊บเดิน ก, กลับมาคืนนั่นคือปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปนั่งหลับหูหลับตาจเจริญสนติอย่างเดียวไม่ใช่นะแล้วก็กลางคืนอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยขอสักนยี่สิบสามสิบมจีได้ไหมนั่งเหบี่ยงก็ได้ไม่ต้องมีเสียงอะไรก็ได้หรือจะเปิดเสียงอะไรเขาเปิดตัวทักเปิดอะไรเราก็เสียงอะไรก็ทําได้ถ้ามีเสียงนี่เรามีที่กอบ มันดีกว่านะไม่งั้นเราจะไปเผลอไปอยู่ที่ความคิดนะนั่งนะนั่งหมุนแบบนี้นะสักยี่สิสินาทีส่วนวันไหนเวลาว่างเยอะก็ยาวหน่อยหนึ่ ง, นะะงนั่นแหละทํานยิ่งสาสมแท้งไปเรื่อยๆแล้วก็พอมาพองมีเวลาปุ๊บเดี๋ยรับมาที่ศูนย์นี้ก็ได้ศูนย์นี้เปิดทุกวันปิดปิ ด, ป, ดปิดวันจันทร์เนาะนั่นแะหละหรือ ว, ว่ามีปัญหาอะไรก็โทรมาถามได้นะครับ เหมือนเราเป็นกระไลมิตรนะเป็นเป็นญาติทางธรรมกันนั่นแหละญาติพี่น้องกันเนี่ยพ่อแม่เดียวกันบางทีฆ่ากันได้นะฟ้องกันได้โกงกันได้อะไรนั้นแต่ญาติที่ทำฆ่ากันไม่ลงนะเป็นญาติกันมาหลายชาตินะที่นี่เราไม่ได้ทำกิจกรรมเพื่อเป็นธุรกิจอะไรเป็นการรุสลกก็เป็นของทุกท่านเป็นประโยชน์ มาใช้ประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วเมื่อตัวเองแข็งแกร่งแล้วเนี่ยเราก็มีส่วนเกินแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ใกล้ๆแํานี้ก็มาใช้ประโยชน์ที่นี่ก็วิธีนี้ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าเราจะมีมารสามตัวสิ่งขวางกั้นทางเดินเราสามอย่างอันหนึ่งคือขี้สงสัยอันนี้บรรลอย่างถานหรือเปล่านี่มันอะไรว่ามุ น, นยังเป็นอย่างนี้ว่าผีเข้าหรือเปล่า ก็ทร ง, งหรือเปล่าอะไรในที่สงสัยมันเป็นสัญชาตญาณแต่บางคนเบียดได้แล้วให้มันมีพลังจริงๆอยู่อ่าเออไม่สงสัยละอะไรคือหมุนๆข้าไในเราเห็นแล้วที่สงสัยผ่านไปเดี๋ยวไปเห็นสวรรค์เห็นนระกเห็นอะไรตอนนี้ขี้กลัวและอ่ามันจะตกเหวเลยหอะไรวะกลัวมากเลยเนี่ยตัวที่สองคือขี้กลัวหลังจากเฮ้ลองดูสักทีหนึ่งว่า พอมันจิ้งแรงๆปุ๊บเนี่ยมันผ่านไปให้สยสบายๆความกลัวก็ไม่มีแล้วไอ้ตัวสุดท้ายหลายคนแพ้มันนะตัวนี้ต้องระวังด้วยตัวขี้เกียจ <c oughs> <c oughs> ผักวันประกันพุ่งเฮ้ยดูละครก่อนพรุ่งนี้เออเดี๋ยวเดี๋วดึกดนั่งก็ได้ผมง่วงนะนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าปีหน้าก็ไม่เป็นไรนะไอ้ตัวนี้หลายคนแพ้มันนะเขาต้องระวังสามขี่นะที่สงสัยที่กลัวขี้เกียจ จำไว้ว่าจิตไม่ทํำลายตัวเองเป็นว่าถ้าเรานั่งเองที่บ้านอยประมาทนะครับเหมือนเหมือนเหมือนบางท่านถามว่าเอ๊ะชั่วโ ม, มงแรกไม่เป็นไรเขาดูสมชัยเวียนหัวนั่นแหะคือพัฒนาการของมันนะแต่ที่บ้านนั่งได้ฉันไม่เป็นไรหรอกอย่าอย่าประมาทนะมันเป็นทุกได้ทุกนาทีเนะี่ยเกิดมันติดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตมันต้องการปลดปล่อยตัวเองเนี่ยมันจะแรงมากมคล้ายๆว่ามันจะสลัดให้เราลงถ้าตอนนั้นเรานั่ง อยู่ข้างของแข็งเนี่ยมันจะอันตรายหรือว่าเราจะไปเบรคมันไว้เราจะพลาดโอกาสนะนั่งอยู่ในลัศมีที่ไม่มีของแข็งแลนะดีที่สุดข้างหลังมีบาะทั้งหน่อยหนึ่งเห็นไหมพื้นเราเป็นเป็นแผ่นยางในข้างล่างเนี่ยเราเผื่อว่าช่วงที่มันสลับปึ๊กเนี่ยจิตจะไม่ต้องกังวล น, นะจะปล่อยมันร้อยเปอร์เซในบางทีมันดุดพ้นเวลานั้นนะจิต หลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมมันไม่ได้หนีไปไหนไมันจะออกจากร่างมันหลุดออกจากความเป็นทาตของใจภาษาไทยเรียกว่าจิตใจแล้วเราเข้าใจเป็นเรื่องสิ่งเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะใจก็ใจจิตก็จิตเหมือนมีคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยมาที่ศูนย์เนี่ยเขาเก่งเรื่องเรื่องหูเนี่ยพอคูถามว่าคุณหมอมนุษย์เราใช้อวัยวะตัวไหนเป็นตัวได้ยินคุณหมอตอบว่าหูพอคูบอกไม่ใช่ คุณหมองงไม่ใช่ได้ยังไงไม่ใช่คุณหมอไม่พิสูจน์ได้ยังไงไม่ใช่หูพราผมกูบอกคุณหมอชีวิตหนึง่งบางทีคุณหมอเคยมีประสบการณ์นะวันไหนที่เรานอนหลับสนิทเลยเนี่ยบางทีลูกคุณหมอร้องไห้ทําไมคุณหมอไม่ได้ยินหูคุณหมอยังอยู่ไงยังอยู่คร็อกเลยทําไมไม่ได้ยินเห็นไหมเวลานั้น่ะวิญญาณหูเนี่ยมันดับมันไม่ ร, รับกระแส ใบหูภาษาหูติ่งหูมีหน้าที่ดูดเสียงเข้ามาแต่ตัวได้ยินเสียงคือวิญญาณหูเหมือนคนตายนี่แหละตายแล้วทำไมหูยังอยู่ทำไมไม่ได้ยินอะไรเห็น ไ, ไหมสมองทำไมคิดไม่เป็นหัวใจเหมือนกันนะจิตใจเนี่ยคนค น, นี้ตายใหม่ๆทำไมหัวใจไม่เต้นทำไมคิดไม่เป็น รีดผ่าตัดเอาหัวใจที่มันไม่เต้นเนี่ยไปเปลี่ยนให้คนอื่นที่หัวใจลมเหนียวทให้มันเต้นขึ้นมาดีทำไ ม, มันเต้นขึ้นมาอีกหัวใจมันเต้นด้วยตัวมันเองไม่ได้นะเหมือนปั๊มน้าอะไรมันต้องมีพลังงานเห็นไหมที่เราตายเนี่ยจิตกับวิญญาณเรามันออกจากร่างแล้วมันไม่มีพลังที่ทําให้หัวใจเต้นไอ้ตัวใจที่ใจคือก้อนเนื้อก้อนหนึง่งมีหน้าที่ปั๊มเลือดมหล่อเลี้ยงร่างกาย เหมือนใบหูภาษาหูติหูเราถ้ามันประสานประสจจานด้วยวิญญาณหูหรือวิญญาณที่ใจเนี่ยหัวใจมันจะไม่เต้นเราจะไม่รับรู้อารมณ์นี่คือกระบวนการคงสร้างร่างกายมนุษย์บังเอิญเราพิศศาสตร์ตอนนี้เนี่เราปฏิเสธนามมาทำเราวิจัยแต่เรื่องรูปประทังไงเราจึงไม่เข้าถึงตรงนั้นนะเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่รูปประทังอย่างที่เราแตะต้องมันได้ แต่เราสามารถเข้าไปสัมผัสมันได้ด้วยตัวเราเองนะที่ได้ยินพ่อครูพูดเนี่ยใครได้ยินใครได้ยินเห็นไหมอ่าจิตวิญญาณเราได้ยินนะไอ่ไอ่ไอ่ร่างกายตรงนี้เป็นแค่ดินน้าลมไฟมันไม่รู้เรื่องเหมือนรถจนคันหนึ่งเนี่ยรถจนต์คันหนึ่งเราเป็นคนขับนะเห็นไหมเออรถยนต์คันนั้นก็เสียงเดียก้อนหนึ่งหงร่างกายนี้ก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีจิตวิญญาณแล้วไอ้ความรู้สึกมันจะไม่เกิดขึ้นไอ้ตัวรู้นั่นคือตัวจิตเราทีนี้มันมีวิญญาณทั้งหกเนี่ยวิญญาณที่ตาเนี่ยเรียกว่าจักษุวิญญาณวิญญาณที่หูโสตวิญญาณนะวิญญาณที่จมูกเนี่ยมันดมกลิ่นเนี่ยนะชิวหาวิญญาณวิญญาณที่ลิ้นเนี่ยคาหน้าวิญญาณเรารู้รสในร่างกายนี่คือกายวิญญาณเรารู้ร้อนรู้หนาวเนี่ยรู้รู้สัมผัสเนี่ย แต่ถ้าเราตายแล้วพวกวิญญาณเหล่านี้มันก็มันก็ออกจากร่างไปความรู้สึกไม่มีวิญญาณเหล่านี้เป็นพลังงานของจิตวิญญาณเหล่านี้มันเกิดมันดับแต่จิตไม่เกิดไม่ดับจิตมันก็อยู่ของมันนะจิตกับวิญญาณว่าคนเราส่วนนะนะวิญญาณเหล่านี้นี่คือพลังงานของจิตถ้าเรานั่งเรื่อยๆ เ, เราจะแยกได้แล้วก็เราจะรู้เลยว่าร่างกายเราประกอบด้วยอะไร ถ้าเรารู้จริงๆแล้วว่าเราเป็นใครชีวิตคืออะไรเราก็ไม่มีเหตุผลจะทะําร้ายตัวเองคนที่เคยโกรธไหมครับเวลาโกรธมันสะดวกไหม ม, มีความสุขไหมแล้วทําไมชอบโกรธจ่ง <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เรารู้ว่ามันไม่ดีนะแต่เราชอบโกรธ <c oughs> เราเข้าใจไม่เข้าจริตไงสมองรู้แต่ิ คนรู้หลายหายอย่างมันไม่ดีแต่ชีวิตเราก็ยังทําอยู่เห็นไหมเพราะคารนนูนี่แหละคนหนึ่งสู้บุหรี่วันหนึ่งสามสี่ซองในยี่สิบกว่าปีเราเรียนหนังสือเราก็รู้รู้ไม่กระทั่ว่าอุ้ยมันอายอยู่เรื่อยเหนื่อยหวไวไงไม่ใช่รู้ใจเห็นด้วยนะแต่ก็หยุดไม่ได้เราสู้ความอยากไม่ได้เรารู้จริงไหมถ้าเรารู้จริงว่าบุหรี่มันไม่ดีแล้ว เ, เราทําร้ายตัวเองทำ ไ, ไมชีวิตเราเป็นอย่างนี้ตลอดเรารู้ว่าโกน อาจารย์พระประยองบอกโกรธคืองโง่โมโหก็คือบา้าเห็นไหมโกรธคืองโง่แล้วเราค่อยทตัวเป็นคนงโง่ตลอดเวลาเลยชอบโกรธใช่ไหมเนี่ยความรู้เราเนี่ยรู้ไม่จริงเลยถ้าเรารู้จริงเราจะปทําให้ตัวเองโกรธทาไมโกรธแต่ละครั้งนี่กินกำลังเยอะนะกินพลังเยอะมากเห็นไหมโกรธจนไม่หลับไม่นอนนอนไม่หลับด้วยเห็นไหมแ้่ยังเรียัชอบโกรธ เพราะทั้งหมดคือเราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเราไม่เข้าใจชีวิตคืออะไรถ้าปฏิบัติเรื่อยๆเดี๋ยวจิตจิตเรามันไม่ไม่ไม่ใช่มันเข้าใจนะมันเป็นมาหมดแล้วมันเป็นนักงเวียศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่มันลองเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นเทวดาทั้งหลายรอบเป็นเป็ดอสูรรกายเป็นเศษสีปัญญาจบมันเป็นหมดทำไมจะมันจะไม่รู้ห่ะมันรู้อยู่แล้วแต่ตอนนี้จิตปัจจุบัน เราถูกไปความร on th ู B ้ผิดข้อไปแล้วใช่ไหมอย่างอย่างท่านนี้เนี่ยชื่อเล่นชื่ออะไรครับนะ B B A B C ใครตั้งให้ครับเขาเคยปรึกษาเราไหมเห็นไหมแล้วเกิดมาเป็นเด็กทารก็เป็นเบบีไม่ใช่เขาถือวิชาศาสตร์ตอนเขาปรึกษาเราก็พูดไม่เป็นไงเขาก็ตั้งชื่อที่เขาเรียกแล้วก็มีความสูงใช่ไหม แล้วตอนนี้เขาให้เรานับคือศาสนาอะไรเรารูปป้ปากคืออะไรเห็นไหมแถมศาสนามาด้วยลูกพุทธนะอิสลามนะคริสต์นะหินดูนะแม่ชอบๆอโดยที่เราไม่รู้มัคืออะไรแล้วก็ส่งเราไปเรียนวิชาสร้างนานาคตอีกเราไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นใครถ้าระครูถามเรานะ คุณอายุ <c oughs> คุณเป็นใครเราจะตอบยังไงเราเป็นคน <c oughs> เรียกว่าคนนะเขาเรียกว่าเหยื่อเห็นไหมหลังบอกหิ้วไปคนนี้ก็สมมุติดีไอสิ่งที่เขาเขาสมมุติว่าคนนี่มันคืออะไรกันแน่เคยรู้ไหมเห็นไหมใครรู้บ้างว่าตัวเองเป็นใครยกมือขึ้นแลกเปลี่ยนกับพ่อครูหน่อยใครรู้บ้าง ไม่รู้เราเป็นใครไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรเราจะบริหารชีวิตตัวเองได้ถูกต้องได้อย่างไรตอนนี้พี่บีเราเนี่ยเวลาคิดนี่ใช้ภาษาลาวภาษาไทยหรือภาษาเขมรหรือภาษาอังกิด ภาษาให้เราเราก็ชิดตามภาษาพูดตามภาษาทําตามภาษานะเราไม่เคยเรียนรู้เลยว่าเราเป็นใครนะมาจากไหนท่านนี่ดีกว่านั่งพิงเสาอยู่สงใช้เหนื่อยมากหมดแรงแล้เกิดมาทำไมครับ ส่วนนึงแน่นอนใช้กรรมแต่ถ้าแค่ใช้กรรมเนี่ยก็เท่ากับสัตว์เดรัจฉานเกิดมาใช้กรรมมีอะไรอีกสัตว์เดรัจฉานทั่วไปก็เกิดมาใช้กรรมแต่มนุษย์เราเรียกว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐคําว่าประเสริฐคือต้องมีสิ่งที่พิเศษกว่าเรามีอะไรเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไปใช่ไหม เราต้องมีอะไรพิเศษแต่ถ้าเกิดมาใช้หนี้กรรมเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยเราก็ทําตัวเหมือนลิงเหมือนเหมือนทาสานก็ได้หิวก็กินหว่วงก็นอนไม่ต้องทุกข์มากก็จ่ายหนี้กรรมในชาติเราไม่ได้เกิดมาแค่ใช้หนี้กรรมเราเป็นสันสนตว์ประเสริฐนะคำตอบคือเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อเป้าหมายคือพนทุกข์ นี่คือคำตอบของการเกิดไม่ใช่เกิดมาเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขพระคูถูกหลอกไปสี่สิบปีนะโวยแล้วมันไม่สุขเลยหาความสุขไม่เจออย่างนั้นไอลิงนะขาดุนลิงไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องมีเจ้านี่ลูกนี่มันลิงรอดมันตีลังกาได้มันมันเบามากเราเป็นสัต์ประเสริฐแล้วทาไมใช้ชีวิตจนเหนื่อยกว่าลิงหนักกว่าลิงเห็นไหม ทั้งหมดก็คือเราไม่มีโอกาสเรียนรู้ว่าเราเป็นใครเกิดมาทำไมตายแล้วเป็นไหนไอ้ความสุขจริงๆเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นเช่นไรเราคิดตามภาษาที่คนอื่นเขาใส่ให้เราเห็นไพูดตามภาษาทําตามภาษาโดยเฉพภาษาไทยเนี่ยนะเอาแค่พ่อครูจําความได้พ่อครูหกสิบเจ็ดปีแล้วน่าจะย้อนหลังไปหกสิบปีก่อนยังจําได้จนเจ็ดขว ภาษาไทยตอนนั้นกับภาษาไทยตอนนี้ไม่เหมือนกันเห็นไหมภาษาไทยตอนนั้นเขาบอกว่าคบชู้สู่สาวเนี่ยผิดศีลนะแต่ภาษาไทยตอนนี้มันฉลาดมากมันพรวัวว่าคบชู้ผิดศีลมันไม่มีชู้มันมี ก, กิ๊กักเห็นไหมมันเลี้ยงบาลีมันมันใช้วิชาสิงคโปร์คือรอดชอ่องนนี่เป็นภาษาทุนนิยมวัตถุนิยม ภนะาษาไว้ร ต, ก ต, กตุกวันนี่บางทีพ่อปูฟังไม่รู้เรื่องเลยนะอะไรพวกเขาม่รู้เนี่ยนี่เขาเรียกว่ามันเพียนละภาษาบ่งบอกนิสัยบ่งบอกนิสัยคนในยุคนี้เนี่ยนะก็มีแต่ว่าได้เอาจะได้ก็คือว่าลอดช่องเก่งนะใช้วิชาสิงคโปร์รอดชอ่องเห็นมถ้าในทางทางศาสนาก็เรียกว่าเลี่ยงบาลี ก็มีชูม้มันมันผิดสิ่งแล้วมีชู้มันผิดสิ่มีชูสช้สู่สาวผิดสิ่งมันก็เลยมีจิตเลยมีจิตไม่เป็นไรแต่ภาษาก็เปลี่ยนเปลี่ยนตามยุคสมัยโดยเฉพาภาษายุคนี้ในภาษาทุนนิยมแข่งขันเสรีไอ้ตัวแข่งขันเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกทุกคนเกิดวิตก จ, จะหลกลัวว่าจะแพ้กลัวว่าจะเสียเปรียดนะก็เลยเกิดวิตกจะหลี เพี้ยงกว่าแต่ถ้าเราฟื้นฟูนจิตเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเข้าใจชีวิตแล้วเนี่ยเราก็อยู่กับสังคมนี้ไม่ใช่หนีมันนะแต่อยู่อย่างรู้เท่าทันมันไม่ใช่ตรงไปตามมันทุกเรื่องเราจะไม่แคร์คาพูดคนเวลาเราปวดท้องเนี่ยมีคนปวดแทนเราได้ไหมใช่ไหมรักกันแค่ไอ้เขาปวดแทนไม่ได้นะเห็นไหม เวลาเกิดมาเนี่ยเราก็เกิดมาตัวเปล่ามาคนเดียวไงอาศัยท้องแม่มาผ่านเฉยๆเวลากลับบ้านเก่าเราจะขี่อะไรไปด้วยได้ไหมธรรมชาติบอกอย่าค่ากำไรเกินควรเธอมาตัวเปล่าเธอต้องไปตัวเปล่าไปตัวเปล่าก็ยังดีนะไม่ใช่แบกบพลุงพลังแบบกกรรมไปด้วยเนี่ยอันนี้ขาดทุนขาดทุนนะเห็นไหม มาตัวเปล่าอย่าค้ากำไรเกินควรจะแบบร่วมแบบนี้ไปด้วยเนี่ยแ บ, บ่ถึงว่าตอนนี้ช่วงสั้นๆ ส, นสงวันนี้เราก็เลยฝึกฝึกเตรียมตัวตายกันตายคนตายนะเห็นไหมต้องตายให้มันเป็นนะถ้าตายไม่เป็นแล้วนี่มันหนักอึ่งเลยเน่ยมันทุกทรมานมากวินาทีนั้นเนี่ยตายไม่เป็นเนี่ยไปสู่ทุกข์กติคือนรกนะ ถ้าตายเป็นเรายังไม่บรนลุขั้นสูงแล้วแล้วก็ไปสู่สุคติไปอยู่สวรรค์ก็ยังดีกว่าตนกนรกแตถ้ามีแรงเจตนวางเป็นอั่ น, นี้ไปนิพพานแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องมาเวียนไหว้าตายเกิดอีกอันนั้นแหะคือคําตอบของเรามุ่งจุดมุ่งหมายที่เรามาเกิดเพื่อสิ่งนั้นโดยเฉพาะเกิดเป็นมนุษย์นี่ยบางคนคุยกับพวว่อคัวไม่กล้าคิดเรื่องปฏิบัติธรรม เกิดมาไม่เคยเข้าวัดเลยทําบุญก็ไม่เคยทําแคกครั้งหนึ่งมันกล้าคิดไม่กล้าคิดเนี่ยนะอันนี้คิดผิดคิดใหม่ได้นะถ้าบุญเราไม่เยอะเนี่ยไม่ได้เกิดอยู่ในร่างมนุษย์กูเปิดเผยและถ้าไม่เยอะจริงๆริจริงๆริจริงจไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่พ่อครูบอกเลยเมื่อกีเจอศาสนาอยู่ก็ไปหลงทางกันอะไรไปอะไรก็ไม่รู้นะอันนั้นก็มีบุญอย่างหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์แต่ไอ้กรรมก็ทําให้เราไปหลงอีก ถ้าเราไม่มีบุญเยอะจริงๆเนี่เราไมไ่อยู่ในล่างนุษแล้วไม่มาเจออสิ่งที่มันอันนี้พครูไม่เรียกว่าทางลัดนะทางตรงๆเลยไม่มีทางตรงเดินไม่เดินไปเดินอ้อมทําไมก็พอพูดเรื่องนี้เมื่อกี้มันแว๊บขึ้นมาพวกเราคนกรุงเทพจะไม่ส่วนมากพ่อคูขอแลกเปลี่ยนหน่อยนะคนนี้อยู่กรุงเทพไหมพ่อครูถามหน่อยกรุงเทพรถติดเนี่ยลิงหรือไก่ทําให้มันติด คนใช่ไหมก็ ต, ติดชอบไหยครับชอบไม่ชอบใช่ไหมอ๋อก็ ต, ติดมีความสุขไหมไม่มีโอเคถามต่อแต่ก่อนนี้คนเรายั ง, งโง่อยู่ทำไมรถไม่ติดคนยังไม่จเจริญคนรถน้ำน้อยอยู่คนไม่จเจริญใ ช, ใ ช, ใช้ใช้เดรินเอาเลเข้าใจที่นี้คนทุกวันนี้จเจริญคนนี่ฉลาดมากทำไมทำให้ตัวเองเดือดร้อนละ่ะ ถ้าเราฉลาดเราทําให้ตัวเองทุกข์ทำไมเละสรุปว่ารถติดไม่ดีใช่ไหมทีนี้พอเราทําให้รถติดปุ๊บเราก็ไปเรียนวิชาจราจรใช่ไหมต้องวันเวย์วันเวย์วันเวยกตัวอย่างมีสนามฟุตบอลสนามหนึ่งนะมีอยู่สี่มุมใช่ไหมครับมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามุมที่สี่วันหนึ่งเราไปอัญเชิญทาซานมาจากป่า อ่าดึงทาซานมาให้ยืนอยูย่ที่มุมที่หนึ่งนะแล้วคนนักวิ่งสี่ร้อยเมตรไปยืนที่มุมที่หนึ่งแล้วบอกทาซานนะเดี๋ยวฉันยิงปืนเนอะนะวิ่งว่าใครจะมาถึงมุมที่สี่ก่อนกันใช่ไหมพอเรายิงปืนปึนป๊บไอ้นักวิ่งวิ่งไปมุมที่สองไอ้ทาซานมันวิ่งมามุมที่สี่เลยใครถึงก่อน <c oughs> ทีนี้เราไปด่ามันไอ้ชาวป่าเนี่โง่จริงๆเลยมนันรู้จักกติกาสังคมไอ้ทาซานก็งง เอมนุษย์พวกนี้บ้าไหมบ้าทางใกล้ไม่วิ่งไปวิ่งทางไกลสร้างปัญหาก็คิดวิชาใหม่มาแก้ปัญหาที่ตัวเองสร้างเนี่ยมนุษย์ตอนตอ น, นี้เป็นอย่างนี้ไงฉลาดจริงไหมคนล้นลงพักคนล้นคุกพวกคุณติดข่าวติดตามข่าวนะคุกนี่หลายแห่งเนี่ยก้างคืนมันนอนนี่มันต้องแต่แคง น, นอนนะปวชีก็ไม่ต้องลุกขึ้นมานะ ถ้าลุกขึ้นมาปุ๊บยืนตลอดคืนเลยนี่จเจริญไงยุคนี้จเจริญจริงไหมคน ล, ล้ น, ล, น ล, ลงพักคนล้นคุกล้นโรงพยาบาลนะอาจารย์น้อยเป็นนักวิียาศาสตร์สอนปริศญาเองที่ขอนแก่นมาอยู่กับครูสองปีแล้วนะให้ออกซิเจนอยู่สิบสี่ปีกลางคืนไม่มีตายเลยเพราะเวียนเอียงแล้วก็ทิ้งออกซิเจนเลยแต่บังเอิญกลาเป็นความดันสูง วันนั้นพาเด็กๆเข้าไปในเมืองไปดูราชเฉพาะอะไรอะไรไปขึ้นบันไดสีชั้นนะความดันมันขึ้นเลือดค้างสมองเนะลียเขาส่งไปโรงพยาบาลแก้มจิดระพาไปเพราะครูทำธุรกิจทำงานเสร็จแล้วพาเด็กๆดูแทนสชั่วโมงไปแล้วอาจารย์ก็ออยังอยู่ในรถเข็นเหมือนกันโรงพยาบาลใหญ่นะกว่าหมอจะมาทำเรื่ อ, องพวกเด็กเเข็เข็เข็ขึ้นไปชั้น ชั้นหกตื่นแปดอะไรไม่รู้เราก็เอาจานห้อยไปยัดเข้าเป็นทางเดินนะเพราะไม่มีที่วางเตรียงแล้วไงไม่รู้อาคารมีตั้งกี่อาคารนะนี่ชั้นเดียวท่านเองเลยอ้ยยังกระตลาาสนนะเอาไปยัดอยู่ทางเดินไอ้คนมัน เ, นนเขียนพวกมึงเอาเอกสารบัญชนะีนั้นพวกมึเดินเฮ้ยขบวนการเขาทํางานยังไงไอ้ความดันตรงนี้จนเลือดมันข้างสมองนี่เขาเรียกว่าเป็นโรคับพันใช่ไหมแต่แปดชั่วโมงยังไม่ได้เจอหมอเลย คนนี้ก็โอ้ยคนนี้ก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยยังไม่ถึงขั้งเลยนะตายไปสองคนไอ้เจ้าเสาไปนั่งเฝ้าอาจารย์น้อยมันบอกถ้าไม่มีแรงเรียงหนหนูก็ตายตั้งแต่คืนเมื่อคืนนี้แหละแล้วอีกคืนนี้ก็ตายไปอีกสี่ศพอาจารย์น้อยยังไม่ได้เจอหมอชีวิตตอมันเป็นอย่างไงระบบสาระสุขเป็นอย่างนี้ไหมเพราะว่า ออกมาปุ๊บแกบอกว่าวันที่แกออกเราเวยบาลเป็นวันที่แกลอดตายเพราะกว่าเดี๋ยวพวกูุจะไปขึ้นต้ายห้องนั้นนะเห็นว่าห้องเพิ่มความดังเด็ ก, กๆลูกศิษย์อาจาร ย, น ย, ยน์น้อยจะไปเยี่ยมเน่ยมันอยู่ดังกีท่ทีมันจะอ้วกมันวิ่งลงมาหมดเลยญาติคนไข้น้อยเขาเรียกต่ามหมดแล้วคนไข้ก็เต็มห้องเลยอันนี้ อันนี้เป็นตึกเดียวนะตึกแปดชั้นหกแค่ชั้นเดียวนะแล้วมันกี่ตึกมันจะเป็นยังไงล่ะยุคนี้พ่กครูว่าไม่ใช่ยุคสี่วิไลเป็นยุคที่มนุษย์ชาติเราตกต่ําที่สุดถ้าสี่วิไลต้องไ ม, ม่ต้องไม่มีคนเจ็กป่วยใช่ไหมเป็นยุคที่ยากที่สุดเห็นไหมอาทิตย์ที่แล้วก็ไปมีอบรมที่ที่อําเภอ น, น้นําหนาว พุ่มในการลงบาลก็มารายงานแอก็มาเต้นมาปฏิบัติประครูล้วเป็นผู้หญิงแอรายงานว่าพระครูปีนี้ต้องเพิ่มว่าประมาณสามสิบเปอร์เซ็นค่ายาในขณะที่ประชากรในอาเภอนั้นน่ะเข้าเกับ อ, อ้าวอเภอห น, นึ่งเพิ่มสารเป็นต้นทั้งประเทศนี้เพิ่มเท่าไหร่มันสะท้อนอย่เห็นคือความตกต่ำของนุสเซียชาติเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้อีกไหม เมื่อคืนด็อเตอร์ก้อยออกับด็อเตอร์แก้วเจ้าของโรงเรียนก่อนไปทักหมืเยี่ยมคกูแกบอกว่าจเจ็นเดือนที่ทำมาเนี่ยครูแกนเนี่ยลดยาร้อยเปซ็ปฏิบัติเพื่อไม่ต้องใช้า ย, ยาไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อใช้า ย, ยามากขึ้นพวกกูก็เลยทำโครงการน้ำหนาวโมเดลพร ก, กูจะทำให้อําเภอนี้ นะกลับไปยิงงานใหญ่ล อ, อยนะเราจะอบรมคนทั้งอำเภอหมดนะลงทุนเท่าไหร่ก็ช่างมาบ้านเมืองมมนมีงบปรมามมถ้าเราแก้ปัญหาโดยเพิ่ม่าประมาณซื้อยาบ่อยๆบ้านเมืองจะเอาเงินที่ไหนพวกเราเก็บภาษีไปไล่จากคนเขาเรานี่เท่าไหร่ก็ไม่พอมัน <c oughs> ไม่พอนะต้องแก้ที่ต้นเหตุวิธีรักษาโรคที่ดีสุดคือป้องกันไม่ให้เกิดโรค วิธีป้องกันให้เกิดโรคที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาดสารจิตสารร่างกายสาร ส, สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่สาคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมมนุษย์ยกตยัวอย่างทำงานเหนื่อยแล้วกลับไปถึงบ้านถ้ามนุษย์ข้างตัวเราในครอบครัวคุยกันไม่รู้เรื่องอยากกลับบ้านไหมเห็นหน้ามันก็เครียดเพิ่มอีกแล้วเราต้องจัดการสิ่งแวดล้อมในตัวเราก่อนให้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส นั่หละออกมาเต้นออกมาเต้นทุกคนเต้นด้วยกันนะเดี๋ยวจะคุยกันรู้ภาษาเอาเราแข็งแรงก่อนแล้วก็พึ่งยาน้อยลงพ่อแม่ลูกเต้นด้วยกันคุยภาษาเดียวกันเราจะพึ่งยาก่อนที่ทักสรุปแล้วเฉพาะคณะครูนะ่ะการใช้ยาลดร้อยเปอร์เซ็ต์ยาบ้ายาบอที่ไม่จำเป็นต้องกินไม่ต้องกินเลยเห็นไหม เราต้องแก้ปัญหาบ้านเมืองแบบนี้นะเรื่องจากกลุ่มนักเด็กเนี่ยก็ครูต้องการเออเรามาเห็นแล้วเนี่ยขอให้ต่อยอดเถิดถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากแล้วก็คนข้างตัวเราด้วยสมมติว่าเราเป็นคนใจเย็นเรากลับบ้านแล้วก็ความเย็นเข้าไปในบ้านเห็นไหมคนในบ้านก็ได้มีสงด้วยนะเดี๋ยวถ้าแบกไฟไปด้วยเนี่ยคนในบ้านมันก็ร้อนด้วยนะ <c oughs> นี่แหละสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่สุดคือมนุษย์ มนุษย์ทําให้สิ่งแวดลอ้อมสะอาดก็มนุษย์สะอาดมนุษย์เปื้อนก็นทําสิ่งแวดล้อมเปื้อนพ่อครูถึงมองแล้วพ่อครูพร่อครูหยุดมาหลายปีนะออกมาแล้วคิ่ว่านจะมาแบ่งปันนะก็หลีกเลี่ยงเรื่องขัดแยง้งและเรื่องศาสนาไม่ต้องพูดถึงศา ส, สนามันอยู่ของใจของทุกคนล่ะนะนะทุกคนเขาลบศรัทธาละก็ศรัทธาไปเหมือนเก่าแต่ว่าเรื่องกายภาพเรื่องชีวิตเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของชีวิตฟิตเนสเข้าใจไหม นั่นแหะเรามาเที่ยกันไม่เกว่ยวศาสนาเที่ยงกันได้หมดแล้วเดี๋ยวคุยภาษาเดียวกั น, นพึ่งยาน้อยที่สุดอันนี้ช่วยกันนะไม่ใช่เรื่องสุขภาวะอย่างเดียวนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้านเมืองด้วยเราไม่ต้องไปเสียงเงินว่าประมาณเนี่ยแทนพวกเราไล่จกกับกวจะเก็บภาษีมาได้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายด้วยนะเอาเงินไปซื้อยาพลหลักมันมาอีกนะขาดบุญการค้าเศรษฐกิจแก้ได้อีก สังคมแก้ได้ด้วยเธอก็ยิ้มแทนก็นยิ้มไงเห็นไหมเศรษฐกิจสัง ค, งคกมการเมืองแก้ได้หมดพวอกูถึงเอา อ, อำเภอน้าหนาวเป็นโมเดลนะตอนนี้กำลังเริ่มกนันเจ้าคณะอําเภอที่โน่นก็ไปปฏิบัติข้าพเจครูแล้วท่านเข้าใจเขาบอกสาสิปีของท่านน่ยฝึกวิชาสมาธิวิชาเจริญเยอะเหลือเกินสู้เก้าวันอยู่ข้าพเจครูไม่ได้ท่านประกาศดุยเห็นไหม แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาว่าต้องทําแบบนี้เดี๋วไปทะเลากับว่าศาสนาฝึกปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนาศาสนาอยู่ในใจของทุกคนนะเราอยู่ในใจไม่ต้องเอาศาสนามาทะเลาะกันไว้ค่อยใจนะครับอันนี้คือโปรแกรมชีวิตฟิตเนสหลักสูตรคือกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขนะ e a Happy Freedom ไม่มีอะไรง่ายกว่านี้อีกแล้วสิ่งที่เราทําไม่ต้องฝึกเห็นไหมไม่ต้องเรียนเห็นไหมทําเลยใช่ไหมไม่มีถูกไม่มีผิดไงทําตามสไตล์ตัวเองใครสั่งก็จะทำไปเลยไปเต้นอัลเบกยังต้องมีคนสอนเต้นไปเต้นมาเครียดมากไม่รู้จะถูกหรือผิดนะมันยังมีการเรียนอยู่นะการฝึกเลยนะอันนี้ไม่ต้องเนี่ยโรงพยาบาลน้ําหนาวพอพวกคุไปอบลมแค่สามมันพออเขาเปลี่ยนเลย อารบิกมาหลายปีมันไม่ได้เรื่องเปลี่ยนเป็นเช็คแอนด์แดนส์นนะเดี๋ยวชีวิตดีขึ้นไม่ใช่เป็นเต้นแค่จังหวอะอันนั้นเป็นออกกยภาพเเราไม่ได้เรื่องจิตวิญญาณเลยอันนี้ได้ทั้งหมดเช็คอัพยัวไม้ปลุกจิตให้เราตื่นแดนซอ์ซส์ออกกำลังกายโดยการเต้นหลาชีวิตเราไม่ต้องมีเหตุผลต้องเครียด ฝึกจิตก็เปน็นห้งกดเป็นไว้เอาจิตนิยมอย่างเดียวทรมานสังขารออกกําลังกายเพื่ออยากเป็นแชมป์ก็ออกกําลังกายอย่างเดียวพอแพ้มาก็ฆ่าตัวตายจิตมันอดแดรโพลิสติกกายจิตไปด้วยกันนะจำไว้น ะ, ะนะชีวิตเราไม่ใช่เรื่องใดแล้วหนึ่งประกอบด้วยสามอย่างนะคือร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์ไปด้วยกันโปรแกรมนี้อยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในสอย่าง อยู่ในีวินี้หมดเลยว่างๆอย่าบอกพวกคุณนะไม่มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะอยู่ที่ว่าจะเอาเวลาไปทำอะไรมีถ้ามีเวลาหายใจนะ ก, ก็ต้องมีเวลาปฏิบัตินะมีเวลากินข้าวก็ต้องมีเวลาปฏิบัติมีเวลาอาบน้ำมีเวลาปฏิบัติมีแน่ถ้าเราให้ความสาคัญมันแล้วมันเป็นส่วนประกอบของชีวิต หลายคนปฏิบัติคุ้นเคยแล้วถ้าวันไหนไม่ปฏิบัตินอนไม่หลับด้วยนะเหมือนเราอาบน้ําไม่สําเร็จเราอาบแต่ข้างนอกแล้วไม่อาบข้างใ น, นชีวิตเราจะดีขึ้นไม่ต้องพึ่งยาพึ่งยาน้อยมากวิตามินโ น, น, น่นวิตามินนี่ยาคลายเครียดยาแก้ปวดยาอะไรเต็มกระบุงเลยเนาะเห็นไหมอัตเหตุโนนาโถพึ่งตัวเอง นี่คือวิชาทุ่มตัวเองนะแล้วก็ไม่ใช่ให้มันเครียดไปนั่งกดมันไว้สนุกสนานด้วยไงเพลิดเพลินแต่มันเหนื่อยหน่อยว่าต้องอดทนต้องอุ้ยมันเหนื่อยไม่เอาหรอกวนี่ค้ากับไปเกินควรอีกแล้วเห็ไหมมันก็ต้องแรกด้วยเหนื่อยสิมันมันมันออกกำลังกายมันไม่เหนื่อยได้ยังไงไหมแต่เหนื่อยแล้วมันแข็งแรงเนี่ไม่เอาเหรือและที่ไม่ใช่เรื่องแข็งแรงร่างกายจิตใจก็แข็งแรงอารมณ์ก็ แข็งแรงด้วยนะมันมันเขาเรียกว่ามันมันบาลานซ์มั น, ม น, มนปรับสมดุลของอารมณ์ด้วยถ้าสามอย่างนี้เราสมดุล น, นะภูมิคุ้มกันเราก็เกิดเพราะกูบอกตรงๆ2ี่สิบเจ็ดปีไม่ค่อยเป็นอะไรนะนี่ี่ห้าปีก่อนกับห้าปีนี่มันแปลกประลาดอากาศมันร้อนแล้วก็วันนั้นเขาเชื่อมเน็กปุ๊กูไปไอไอโลหะนั่นเข้ามาเพราะกูก I I I C K ไปสอนอยู่ เป็นบูดเรามาที่นี่มึงพึ่งฟื้นสองวันเนี่ยนะมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ห้าปีก่อนก็เหมือนกันไอตั้งแต่ไปยินเดียไอจนกลับมาเลยแต่มันไอก็ไอแต่พ่อครูไม่ได้ทุกข์กับมันมันไอเฉยๆนะไม่พอนะมันไอทั้งคืนทั้งวันไม่ให้พ่อครูนอนเลยนะแต่พ่อครูก็ไม่เป็นไรมิใช่ว่าลาคอเราเป่งไม่เหมือนเก่าทั้นั้นเองเราไม่ได้ทุกข์กับมันเนาะนี่ก็ฟื้นแล้วไงไอก็ลุย ไม่ไอก็ลุยเหมือนเก่าใครเบรกจิตเราก็ไม่ได้น้เราก็ไม่ทุกข์กับมันแล้วเป็นอะไรกอมันก็ไม่ทุกขนะ์มีแต่ว่าตอนนี้อากาศไม่ดีแล้วนะและ้วก็อารมณ์มนุษย์เนี่ยรุนแรงมากขาดสติกันขอให้เราดูแลตัวเองชีวิตเรามีความหมายนะไม่ใช่ไม่พอใจผิดหวังนิดนึงฆ่าตัวตายดิดโง่แล้วโง่เอกคนฆ่าตัวตายฟังพ่อกู่นะ มันมีครูคนหนึ่งอ่ะเป็นคนมั้นนอกเนี่ยพอมันเข้าไปในจิตแล้วมันกลายเป็นขุนศึกฝรั่งเศสขึ้นมาเต้นลีลาศเลยนะเด็กมั้นนอกนะแล้วก็ฆ่าตัวตายพอเกิดเป็นญี่ปุ่นอ่ะแพ้สงครามเนี่ยนะฆ่าตัวตายมันตายโหงมาห้าร้อยชาติถ้าคนฆ่าตัวตายไม่ได้ตายดีนะคำว่าตายโหงทัวงไม่ได้แก่ตาย เขาให้ชีวิตเรามาเนี่ยแค่ผิดหวังที่เปู้ฆ่าตัวตายเนี่ยนะเป็นกรรมหนักนะเราฆ่าสัตว์อื่นเนี่ยถือว่าเป็นกรรมแล้วแต่ไม่หนักเท่ากับฆ่าตัวเองนะคนฆ่าตัวเองเนี่ยเลวร้ายมากเพียงแค่ปูกขัดเฉยฉันอยู่ไม่ได้ฉันจะตายฉันจะตาย <laughs> เราได้ฟังน้องเอเนี่ยน้องเอเป็นโรคเอสแลเอเนี่ยโรคพุ่งพ่วงลงจังปีที่เขาเดินเข้ามาในศูนย์ผมร่วงหมดและ้ะ หน้านี้เกียม์เดินกลางวัน เ, นเด็กๆมันนอกวิ่งหนีหมดเหมือนผีนะไม่กล้กาใกล้ปกติมันสวยมากเป็นคนสวยมากนะเหมือนผีเลยนะคุณหมอบอกว่าให้เวลาสองเดือนไปทําใจแต่ไปวัดไหนก็ได้ไปทําใจเนาะเพราะว่ามันรักษาไม่ได้แล้วไงนะมันไม่มีทางไปก็มไม่ที่สูนอ่นะไม่อยู่กับพรอบคแรกเนี่ยครั้งแรกสามเดือนหมอบอกให้สองเดือนมันอยู่สามเดือนมันก็ฟื้น สวยกว่าเก่าอีกพราะเลือดลมมันวิ่งไงไอ้ผมที่รั่ามันออกมาเนี่ยในสามเดือนนั้นะดําหมดหน้าใสากว่าเกา่าสวยกว่าเก่าอีกใช่ไหมหละ่ะก็กลับไปใช้ชีวิตอีกเก้าปีบังเอิญแฟนมันก็ใช้ภาษาไทยสมัยใหม่มันเป็นปีกิ้งเนยมันฉลาดมากมันไม่มีชูนะําไป่มีจิ้งไอ้เอก็เครียดไปกินเหล้าไปเที่ยวอีกโลกเก่าก็อกาเริบอีกตอนนี้มันรู้เลยว่าจะไปไหนไปวันมาศูนย์อีก ตอนนี้มาอยู่สี่เดือนมาแล้วยึกชาติได้ยี่สิบกว่าชาติเห็นเลยว่าต้นเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไร mm hmm. เขาเห็นหมดนะเห็น mm hmm. ไหมมันก็ฟื้นขึ้นมาอีกไนงะออกไปใช้ชีวิตรวมทั้งหมดเอนยี่สิบกว่าปีแล้วเข้ามาสูนตอนนี้มันยังอยู่นะ mm hmm. แต่พุ่งพวงตายเพราะอะไรถูกไหมเพราะมีเงินรักษาอเองมันฟื้นพรานมันไม่มีสตังค์ แต่มันทรมานมากในกรรมฐานเนี่ยมีชาติหนึ่งเนี่ยมันเอาหัวเนี่ยโขมพื้นเขาก็เอาบอกให้มันเอาบอกไหมมันต้องการเจ็บมันเห็นว่ามันตีหัวประดุกมันกลายเป็นประดุกตีหัวมันรับกรรมหมดเลยนะมันก็ฟื้นขึ้นมาไลยแต่ไม่มีใครที่จะอดทนอย่างพวมันไม่มีทางเลือกเขาทุกทรมานมากแต่เขาไม่หนี พอเดือนสุดท้ายสามสิบสามวันมันปฏิเสธอาหารทุกชนิดปกติเป็นคนตะกานะไม่ไม่กินอะไรเลยนะกินแต่น้ำเนี่แค่แค่ระคายคอไม่ให้ถึงกระเพาะด้วยสามสิบสามวันตอนนั้นถ้าใครทำได้มะเร็งก็อยู่กับเราไม่ได้มะเร็งปอดตายมันไม่มีอาหารจิตนแนะแต่เราอยู่ได้ด้วยพลังจิต น, นั่นแหละพอวันที่สามสิบสาเนี่ยมันหมดแรงนอนแง๊งแง๊ง มันบอกทำมันไม่มีแรตอนนั้นเราก็เริ่ ม, มไปให้น้ําเกลือให้อาหารเหลวเนี่ยมันก็ฟื้นขึ้นมาจิตมันรักษาเลยมันไม่ให้อาหารไวรัสนั้นจิตมะเร็ง ก, ก็ฟอตายหมดถ้าเราทําได้ตรงนั้นนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตอีกสามวันเราก็เป็นลมเป็นแรงแล้วไงมันไม่กินอาหารสามสิบสามวันนะแล้วก็ก็บันทึกไว้บวชที่ว่าเห็นยี่สิบกว่าชาติเป็นยังไงอะไรบ้างนั่นแหละไปเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรร ตอ น, นี้ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ทีนี้พอเขาหายปุ๊บพ่อปูก็ให้รางวัลพาคนทั้งศูนย์หนึ่งลดสิบบวกคันยี่ิบกันเนี่ยตีสีนะ่ไปเที่ยวผาแต้มนะตรงนั้นอไปเที่ยวผาแต้มเช้านั้นล่ะฟองฟ้าเปิดดวงดาวเต็ไมไปหมดเลยทัชจันทร์ก็ยังอยู่ชั่ครู่หนึ่งผ้าอาทิตย์ก็ขึ้นมาเขาก็ไปถ่ายรูปกันพ่อปูถามว่าเห็นอะไรบ้างไอเ อ, เอบอกเห็นผ้าอาทิตย์ขึ้นไงไหนไหนนายก็บอกนั่นั่นพ่อปูไม่เคยเห็นผ้าอาทิตย์ขึ้น มัก็งงเองเนี่ยธาตุทิศนั่งยังไงทีนี้เขาเล่าให้ครูฟังว่าเขาเหวี่ยงทิ้งหมดแล้วมีอย่างเดียวเหวี่ยงไม่ทิ้งเขาโกรธขับพ่อแฟนมันไม่รักพ่อครูบอกเอคิดผิดคิดใหม่ได้นะที่เธอโอกรับเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นพ่อแฟนไม่รักนะเป็นเพราะเธอไปหลงรักเขาเหวี่ยงทิ้งทอบที่ตัวด้วยว่าตัวเองโกรธขักเพราะเขาไม่รักเราแล้วโกรธขับเพราะเราไปหลงรักเขาต่างหาเรางงเองธาตุทิศไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงโลกมันหมุน ใช่ไมปไปโทษเาพาดที่ยงขึ้นนี่แล้วเราบอกทุกวันในยพาดที่ขึ้นกี่โมงลงกี่โมงเด็กก็รู้คิดว่าพาดเที่ขึ้นพาดเที่ลงพ้าอาทิตย์เขาไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงโลกเรามันหมุนเราอกหักไม่ใช่เป็นเพราะแฟนไม่รักเ ร, เ, เราเป็นเพราะเราไปหลงรักมันต่างหากเราโง่เองใช่ไหมเปลี่ยนทิ้งต่อไปไม่ต้องโทษคนอื่นตอนนี้เองอยู่แต่พุ่งพวงตายไปแล้วไงเห็นไหม ไม่มีแม้แต่หน่อย่างก็เกี่ยวกับผลของกรรมนะเรามาจ่ายหนี้กรรมทางจิตจ่ายหนี้ก็หมดหนี้อยู่ที่ว่าใครจะศรัทธากับจิตเราไม่ใช่มันเมื่อยถไม่เอาแค่นี้ก็บอแล้วว่าอันนี่เหนียวนี่นะไม่อยอมจ่ายหนี้มันจะหมดหนี้หรือเปล่าหนี้ศีลนี่เราลักกันเราไปจ่ายแทนกันได้นะแต่หนี้เวรหนี้กรรมเนี่ยลักกันแค่ไหนก็จ่ายแทนกันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัว มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครทําคนนั้นก็ได้นะเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอย่างฟืน้นถ้าเรารักกันเราต้อแนะนําให้เขาปฏิบัติเราปฏิบัติแทนเขาไม่ได้นะครอบครัวนึงเริ่มจากคนคนหนึ่งก่อนเริ่มจากเรานี่แหละเอาตัวเองให้ฟืน้นแล้วบารามีที่เราฝึกแล้วมันจะถึงคนข้างๆสมมุติว่าเรานั่งกินเหล้าอยู่อ่าไอ้เด็กๆมึงอยากกินเหล้าแล้วมันไม่ดีนะมันฟังเราหรือเปล่า มันต้องมีน้ำหนักนะแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราเลิกเล่าเลิกบุหรี่จากคนใจร้อนกลายเป็นใจเย็นไม่ต้องสอนเลยนะเขามองให้เกิด อ, อะไรขึ้นเขาจะสัตยานะเห็นไหมชีวิตครอบครัวดีขึ้นทันทีเลยนะแค่เราเปลี่ยนอารมณเราเท่า น, นั้นเองที่ผ่านมาเธอก็แรงฉันก็แรงใส่กันบางทีไม่มองหน้ากันสามวั น, นแต่ถ้าเราเงียบซะอย่างเรานิ่งซะอย่างคือใครอยากลองไหมใครอยากลองลองดูนะ กลับไปบ้านเที่ยวนี้ปิดวาจาสักสามเดือนทําได้ไหมอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมคนข้างตัวร้อนไปหมดเลยนะให้มันเกิดอะไรขึ้นความนิ่งนี่มีพลังแรงที่สุดนะทีนี้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะบางอย่างนิ่งอยู่ครอบครัวเดียวกันแนงวันเราต้องมีพื้นฐานของความรักเราถึงมาใช้ชีวิตคู่ไงแต่ทําไปทํามาความรักมันเจือจางไปมีแต่ความเครียดแค้นความน้อยใจนะ นะแล้วก็มีอารมณ์ใส่ถึงกันและกันเนี่ยนะถ้าเราเปลี่ยนเรานิ่งสัอย่างนีง่ปัญหาบางอย่างมันเกิดขึ้นยิ่งพูดก็ยิ่งขัดแยงยิ่งชี้แกงก็ยิ่งไม่รู้เรื่องนะบางอย่างปัญหาอะไรเกิดขึ้นจากไม่ใช่เรื่องเหตุผลนะเป็นเรื่องของอารมณ์ชอบไม่เหมือนกันนะนิ่งเฉยกำลังทองเราหนีใ่งหมมันตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอ มันตกบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เหนืงอรมันก็เริอเ่อตกเสมบอบุกใจหยุดนะก็ลังสียนบุกหยุดอยุดเถอะเราต้องนิ่งก่อนเขาจะเข้าใจถูกเข้าใจผิดเราจะเสียเปลียนไม่เสร็ต่ว่รต้องนี่แล้วสุดท้ายมันก็ผ่านไปแก้โดยไม่ต้องแกนี่แหละคืออุเบกขาแล้วก็ตัวอภิญญาทานเนี่ยต้องใช้บ่อยๆนะเขาก็มันผิดไง เขาผิดก็ใช่ไงไม่มีคนผิดเราจะให้อภัยใครเรือเขาเป็นผิดไง่อยให้อภัยมันไงอันนี้ผิดมันผิดไม่ผิดก็ด่ามันต่อเติมซ้ําเติมมันอีกแทนที่จะรีบให้อภัยมันก็จบใช่ไหมลองเอานั่งเฉยๆดิเดินไปผมให้อภัยคุณนะมันมองหน้าแล้วก็งิดมันเติเราด้วยนะมึงให้ภัยปูทําไมอก็เขาผิดไงก็ให้อภัย เนี่ยเราให้อภัยเราก็ดีโยนภูขเขาออกจากกแล้วก็เบาไงได้ทันทีเลยนะได้อันนี้สงฆ์มากที่สุดแก้งไปทําบุญทําบุญทํางานหาเงินงยากแล้ยังไปทําบุญทําบุญไกลแคไหนก็ไปเพื่ออยากได้บุญนะ่ะทําเท่าไหร่ก็ทําแต่อภัยครั้งหนึ่งก็ไม่ให้อันนี้อันนั้นทําบนะุญเนี่ยเทียมของเทียมอภัยทานนี่ของจริงโดยเฉพาะให้ให้อภัยคนที่เรารักด้วยไม่ได้เนี่ย เราจะให้อภัยคนอื่นได้อย่างไงเห็นไหมเริ่มจากคนข้างตัวก่อนข้ามคนผิดผิดนี้ชัว่วเรารู้สึกว่ามันผิดก็ให้อภัยมันเห็นไหมก็จบแล้วไงพวกครูเคยอยู่อเมริกานะคนฝรั่งนี่พวกครูว่าความโลภเขาก็ไม่เยอะหรอกโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปไม่ใช่พวกใทญ่ใหญ่แต่เขามีฮีโร่เรื่องอัตราตัวตนเนี่ยฝรั่งเขาถือมาก อย่างคนแก่งลง้มลงไปเนี่ยไม่ใช่เราวิ่งไปช่วยเขาได้นะเราต้องขออนุญาตก่อนเมร์เฮลป์ยูเห็น ไ, ไ, ไมผมช่วยคุณได้ไั้ยถ้าเก็บอกอย่ายุ่งอย่าไปแต่ต้องนะมันฟ้องเราตายเลยนะเห็นั้ยบ้านเรานิดหน่อยก็ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย <laughs> แล้วก็ขอโทษยากยาบ้านเรานะ ทีนี้หลั่งไงถ้าเขาก็เดินปุ๊บชนกันหน่อยหนึ่งเขาไม่รู้ว่าใครถูกระเบืเาบอาก็บอกสอรี่ก่อนต่างคนต่างสอรรี่นะมันก็จบแล้วไงบ้านเราได้ไงได้ไงแค่นี้ต้องชําระต่างคนต่างแบบภูเขานึ่งมันไม่ได้ประโยชน์นั่นแหละเวียงทิ้งหมดถูกก็เวียนทิ้งผิดก็เวียนทิ้งนะคำว่าเวียนทิ้งไม่ใช่เราไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดนะเวียงความยึดมั่นถือมั่น ที่เราไปหลงว่าเราถูกที้งซะเวียนอับตาตัวตนเราจริงนั่นแหละชีวิตเราจะมีขึ้นไม่ต้องแก้ที่คนอื่นแก้ที่ตัวเองนั่นแหละเต้นบ่อยๆเราจะเห็นความเป็ี่ยนลองจดนะโน้ตเป็นชั่วโมงเลยก็ได้นะไอแนวที่เราทาเนี่ยไม่ได้ปฏิถนามาปฏิบัติมากี่ปีได้ชาญเท่าไหร่ไม่ใช่นะคิดเป็นชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมงชีวิตเราจะดี ม่ใช่เต้นอารบิกเต้นอะไรอารบิกตรงนั้นนะอันนั้นเต้น เ, นเพลินออกกําลังกายเทนะจิตไม่ได้อะไรเลยแถมเครียดกลัวจะเป็นผิดเนะี่ยของเราไม่มีถูกไม่มีผิดนะมันสั่นกระเทือนมันจ่ไปซ้ายเด็กว่าช่างหัวมันไงก็แล้วแต่มันจะไปนะอ่นะอิสลามมากใช่ไหมแล้วมันมีพลังเยอะมันจะเปลี่ยนแปลงเรเร็วมากเรื่องลามเราก็วิ่งอนะ่เรื่องสุขภาพเห็นชัดขึ้นแล้วเรื่ อ, องอารมณ์ค่อยๆเห็นอ่อนลงอ่อนลงแล้วจะกลายเป็น เรายอมก็ยอมแต่ว่าก่อนเราไม่ยอมเลยเพราะถูกไงเดี๋ยวไหเราจะข้างบ้นถูกผิดดีชั่วนะเราจะฉลาดเราจะไม่หาเรื่องทุกข์นะลองดูนะครับแล้วก็ว่างๆเขาแวะมาที่นี่นะก็มาไม่ได้ก็มีอะไรก็โทรมาถามว่างเกอร์ที่นี่นะ เ, เ, เราเรียกว่าจิตอาสาเรที่นี่ทุกคน มาด้วยจิตเท่งนั้นน ะ, นะพวกกูจะเล่าอะไรฟังก็จะหมดเวลานะก็ไปเชียงใหม่เมื่อเดือนกี้วไปอบรมมีแต่มีแต่ปัญญาชนแค่นั้นแหละร้อยคนทีนี้คุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยเป็นคนจัดโปรแกรมนี้เขาก็มีทีมงานของเขาแล้วก็เจ้าของที่นั่นก็เป็นหมมหลวงอะไรนึงนนก็เป็นมีทีมงานของเขาเขาเล่ผิดชอบเรื่องที่พัก เรื่องอาหารเขาก็เชิญทีมของครูขึ้นไปก็เป็นทีมงานของเราขึ้นไปมีสามทีมงานแล้วก็บวกผู้มาปฏิบัติด้วยวันแรกวันที่สองปุ๊บเห็นทีมงานเจากก้ากรมสถานที่เอามาคุยกันเครียดกันไปหมดนะเสียงดังด้วยนะั้ะพวกพวกมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมและทีมงานที่จับปุ๊บนี่มีแม่กี่คนก็ขับแย่งกันอยู่ตรงนั้นแเลย ทีมงานเราก็เจแปดคนไม่ได้นัดหมายนะเนี่ยขึ้นไปเองหมดนะเสียค่าใช้จ่ายไปเองหมดนะนะไม่ต้องประชุมกนะันแม้แต่ครั้งนึงนะนะงานเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรถ้าเกิดเรามีแต่ประชุมเออเธอแบ่งหน้าที่กันกลัวได้เปลี่ยนเสเียเปล่าเออเธอดูแล2คนนี้นะบางเอเนี่ยสองคนนี้เขาอยู่ในท่านอนจะยเฉย็ล้วเายืนอยู่นะั่นนอนเฝ้ามาันแต่อีกสองคนจะดูแลมันวิ่งไปอีกคนนึงเอาไม่อยู่นะของเราไม่ต้องแบบวิ่งใส่กันเลยเห็นไหม เนี่ยการแบ่งงานกลัวได้เปรียบเสียเปรียบแล้วมันยิ่งขับแยงทีมเราไม่มีอะไรเขาบอกทำไมทีมนี้สามัคคีกันมากสามัคคีเพราะอะไรไหมเพราะมันไม่ต้องประชุมไงไปด้วยจิตสํานึกไงเสียค่าเดินทางเอง ก, ก็ทานมันถึงไม่มีเรื่องไงเห็นไหมมันไม่เหมือนกันนะของเราไม่ต้องประชุมรู้กันเองไปถึงที่โ น, น้นทุกคนมองตาก็รู้ว่าจะทําอะไรเลยไหมไม่มีเรื่อง ที่นี่เหมือนกันนะที่นี่บริหารโดยไม่ต้องบริหารเนาะเราอยู่กันแบบพี่น้องกันไงถ้าที่นี่สองสามวันนี้มาอยู่ที่นี่มีอะไรขาดตกบกพรองไม่ต้องโทษใครนะครับเพราะมันไม่ใช่ของใครอยากทําอะไรให้มันดีก็ช่วยกันทาให้มันดีของทุกคนพราะครูสร้างสิ่งนี้มาเพื่อทุกคนเห็น okay, นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, า, นากลจักรวาล ทั้งบุญบารมีที่ได้ร่วมกันปฏิบัติมาได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นวันยืนบรรลุมั่ผลนิพพานโดยไวเไเยเถรขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยนะ